ฟังทมกันเนาะเพื่อให้เป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติธรรมที่เรากำลังพากันทาทอยู่ก็เอาการได้ยินได้ฟังเพื่อเอาไปกระทาให้เกิดขึ้นเอาเดยวทำจริง ไ, ได้ยินได้ฟังมา มันก็จะง่ายก็จะสะดวกในการกระทานั่นๆได้ข้อมูลมาพอสมควรจรึงจะไปถูกที่ถูกทางถึงจุดหมายปลายฐานได้ปฏิบัติธรรมก็คือกรรมฐานวิชากรรมฐานเป็นที่ตั้งของการกระท เอากายไปทำเอาใจไปทำเอาแล้วตั้งไว้ที่กายที่ใจเอาสติตั้งไว้ที่กายที่ใจภาวนากรรมาฐานภาวนาก็คือก็หยันรูปก็ย่นรูปเอาไว้ในกายในใจสตินั่น ไม่ใชาทำดังอื่นมีสิ่งที่ตั้งไว้ให้ได้สมผัสสิ่งที่ตั้งไว้นั้นคือสติตั้งว้ที่กายให้กายได้สมผัสกับสติคือรู้สึกระลึกได้เรียกว่าภาวนากรรมาฐานภาวนาถ้าไม่มีสติที่ตั้งไว้ แต่รูปแบบไม่มีเกิดนาไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรแล้วก็ไม่ท่องไ่ ง, งามเราทำอะไรก็รต้องเกิดนาไม่ีศรัทธาเชื่อมัน่นคนปลูกข้าวก็เชื่อมันในการปลูกข้าวแต่ยังไม่ได้กินข้าว ถ้า ม, มีความเชื่อมั่นในการกระทำกวายขึ้นมันก็จะต้องได้ข้าวไม้กินมีชีวิตชีวามีเลือดมีเนื้อกำลังมังชาอันนั่นเป็นภาษาของอาชีพหาเลี้ยงชีวิตหรือการกระทำการงานชอบเราฝึกสติก็เป็นอาชีพของกิจวิญญาณ เพื่อจะได้มักได้ผลเมืกก่อจิตวิญญาณที่มันรู้มันชึมซับเอาความรู้สึกตัวก็เกิดมาเกิดผลมักผลที่เกิดจากการฝึกกรรมฐานภาวนานี่คือจอตินี่จนเหือการเกิดเจ็จาตายไม่เป็นทุกข์ อันใดข้าวหมานกินยังแก่อย่งเก็บอย่งตาอยู่เงินมีทองก็ยังแก่เจ็บตายยังทุกข์อันนี้คื อ, อชีพทงังจิตวิญญาณทุกคนมีกายมีใจถ้าไม่ฝึกมันมันก็อันอื่นก็มาแทนซะมันก็เถื่อนกายบันเถื่อนใจมันเถื่อนอีอื่นอื่นมาตั้งไว้เราใช่ไม่เป็นแต่เปตป่าสุขซี่ลุกลนุน ก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดเอากายไปใช้ในทางที่ผิดเอาใจไปใช้ในทางที่ผิดผิดมันก็ติดความผิดนั่นอยู่ที่กายได้ติดความผิดอยู่ที่จิตใจได้เมื่อมม่ผิดก็เป็นทุกข์เป็นโทษต่อกา ย, ต, กายต่อใจจนมืดบอดหรือว่าปุถุนชนทุกข์ในความมืดบอด หลงก็เป็นหลงทุกข์ก็เป็นทุกข์โกรธก็เป็นโกรธหละใช่ยิเละตั้หาลาคาทำตามถึงที่ความชัว่วมัวเ ม, ม, ม, มความผิดพลาดทำอยู่ในกะวุชชนละลาโกข้องลอยก็กระทบกระทืนต่อตัวเองและคนอื่นจริงวัตถุอื่นไป จะมีคุกวิตำลางมีตำรวจทหารมีรัฐมนูลมันก็ยังเอาไม่ไหวมีกล่องทัพมีอาวุธปอบห้าศึกมันก็ยังไม่ได้มันอยู่ที่กายที่ใจของคนอ่านื่นมาอยู่ที่กายที่ใจของคนไม่ใช่อาวุธมาอยู่ที่นี่ถ้าไม่มีธรรมไม่มีสติไม่มีกรรมฐาน แล้วก็สะโไปได้เราจึงมาตั้งต้นโดยการกระทำความดีความเพียรจากคนๆหนึ่งแล้วก็นับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งจเรามัมีสติสติจะได้งอก ง, งามในการในใจเมื่อสติมันมงอกงามในการในใจแล้ว อกุศลผมไม่ดีก็จะหิวแห้กไปเองมีสติแต้วของตั้งไว้การมีสติภายในกายมาก่อละอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อมีสติภ็ยในกายเป็นในจิตใจรู้สึกตัวภาวนาขยันยู่อยู่เสมอ มันก็สร้างกุศลที่เกิดขึ้นให้รู้เปนที่เกิดของกุศลเป็นบรรดาของกุศลเป็นบรรดาของความดีหรือว่าธรรมมีสุทธิมีความเพียรมีสติ ด, ดั่งไว้กุศลก็จะเจริญขึ้นงกงามไพฑูรย์ยิ่งขึ้น ความมุ่งามความภัยบุญความเต็มโลกของกุศลธรรมก็มเจะเจริญงุกงามไปมเกิดม า, ามเกิดผลได้มีสติปหน้าโลบเป็นพระอรหันต์เลยผู้มีสติปหน้าโลบไม่เผอเหมือนพระอาหารหันต์ขี่นาจกผู้มีสติเป็นมิได้อย่างนี้เราทำไมีหลักไม่เช่นอย่างนี้ไม่ใช่เรางมเศร้ซ า, ซ, าซึมหา่า อาจากพูดถึงการปฏิวัติธรรมหังที่เราสาธยายพิสูตร์ธรรมปาหังพระเจ้าก็หายของเทควม่มขึ้นแล้วให้เราได้เห็นแล้วไม่ได้ชุมหาดูได้เห็นได้ลืนตาดูตาไหนดูเห็นไหมสิ่งที่ไม่มีแร้สิ่งที่มันเกิดไม่ดีขึ้นในกายในใจเรานี่เราจะได้เห็น จะมีภาวะที่ลูกเห็นความหลงแน่นอนมันกู้กับความรู้นั่นละตานยหายของขึ้นแล้วดูได้ปิดเปิดของที่ปิด อ, อกแล้วเห็นได้สองแสงสว่างในที่มืเดเิวิีปัญนาขึ้นมาลูกแจ้งแล้ว หมนตรองวั น, วนบอกคนหลงทางไปทางนี้ไปทางนี้แล้วก็ไปถูกด้วยเหมือนเป็นเช่นนั้นพระศาสดาก็อยู่เฉพาะหน้านี้แล้วเวลาเราปฏิบัติอุนอกคุณใจดี เราไปทงออนไลายกายใจของเรานี้จะได้เห็นมันเถื่อนเถือ น, นหลายอย่างเห็นความคิดมีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดดีไม่ได้ตั้งใจมันคิดกันมาพูดไป็น่นพูดไปนี่แต่ก่อนเราก็ไปตามควา ม, ค, วามคิดก่อเคิดว่าฝันกลางวันว่าคิด ว่าอยากคิดแั้นก็คิดสิ่งเกิดที่กักสิ่งที่เกิดจากความคิดพ็ให้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นชิเลตต์้นหนาก็มีเยอะแยะเพราะอะไรมันมีป่าเถื่อนมันเป็นป่าอาวิชชาไม่รู้จิตจมันก็เถื่อนกับหิ้วไปไหนก็ได้ทวางของใจของจิตของวิญญาณคือมันคิด คิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดความคิดไม่เป็นมีความสุขความทุกข์ความคิดมากมายชีวิตนี้ไม่ได้เคยสอนกิจพระพุทธเจ้าบำเพ็นทางกิจจตอลู้สังกิตมีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิด ไปสอนกจได้รู้ซะความคิดที่ไม่ตั้งใจที่ใดเอามาเป็นความรู้สึกตัวกับมหากายที่ตั้งมีที่ตั้งอยู่มีนิมิต ท, ที่อาศัยอยู่นี่ทำเบาทุกคนว่าแต่พลิกมือขึ้นรู้สึกยกมือขึ้นรู้สึกเอาเมือมาวางไว้หน้าตักได้รู้สึก ไปก้างช่าขึ้นรู้สึกยกขึ้นรู้สึกประมานี้รู้สึกยกมือขึ้นหนาเหนือตัวดูสักหน่อยรู้สึกยกกอกไปรู้สึกวางลงรู้สึกวางลงรู้สึกยกมาให้รู้สึกเคลื่อนไปรู้สึกวางลงรู้สึกว่งลงรู้สึกปะโตมันแน่นหนาแบบนี้ซุกอยู่เหนือทีจะทํามาได้อย่างไรเนี่ย มีกายสัมผัสได้อย่างนี้ใครหลอกใครบอกใครรู้ถามใครไหมของจริงของเท็จต้องถามคนอื่นหรือที่มันอยู่กับเรานี้ถ้าเรามีสติจะได้เห็นเ้ามันไม่ใช่ความรู้ก็เอาความรู้ไปเปลี่ยนให้เป็นความรู้กลับมารู้จึกตัวนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าไม่รู้จากนี้ก็ไม่ใช่ปฏิบัติธรรม กลับมานี่กลับมาลู่นี่กลับมาแล้วกลับมาอีกมันหลงกลับมาลู่มันสุกกลับมาลู่มันทุกข์กลับมาลู่มันผิดกลับมาลู่มันฟุ้งซ่านกลับมาลู่มันสงบกลับมาลู่ทุกอย่างที่มันเกิดกับกายกับใจมาหลงที่ขวางลู่สิบตัวเอาดูสิหนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งปีเจ็ดปีพิสูจน์เรงนี้ดู มีสถานที่เสียมลับป๋าอยู่กันได้โดยเฉพาะที่วัดป่าสุโกโตเพื่อการนี้โดยตรงมีสิทธิทุกคนมาใช้ชีวิตอย่างนี้แต่ใช่ชีวิตอย่างอื่นเสียเวลาไปเท่าไหร่แล้วเปิดมาถึงปูนนี่เวลาเรามีสติดูสิ อะไรที่มันเกิดผ่านมาที่เราไม่ได้ตั้งใจมันมากนะต้องขยันสักหน่อยคนที่สกปกเมากทั้งกิตินทั้งใจก็ต้องชวนกระเสือกันเต็มที่กลับมากลับมากลับมาลู่กลับมาลู่บางคนก็ไม่เผลอเพื่อนก็อาจจะง่ายลู่ก็ลู่ไปเลยลู่ไปเลยลู่ไปเลยอะไรเกิดขึ้นก็ลู่ก็สะดวกในความลู่ ความรู้จะดวกกวับความลหลงบางคนบางคนก็วความหลงง่ายกับความรู้หลอยไปง่ายเหมือนน้ำไหลที่สูงลงตูวที่ต่ำไหลไปง่ายจมลงทางต่ำๆความคิดก็ดีตาก็ดีหูก็ดีจะโบกเรื่อนกายใจก็ดีต่เห็นรูปพอใจไม่พอใจ มันไปแบบนั้นหูดียินเสียงก็พอใจไม่พอใจใจหมกได้จินก็พอใจไม่พอใจลรีดในรถก็ก็พอใจไม่พอใจกายสัมปัติก็พอใจไม่พอใจใจคิดนึกขึ้นมาก็พอใจไม่พอใจมันไปแบบนั้นไปหลับใช้รถของโลกไว้เอาโลกมาใช่ให้เกิดความพอใจไม่พอใจใจก็เต็มไปด้วยจิงจบกบ บ, smoothie, บ, ie, บ, บัดนีบบ้มาปฏิบัติก็ถอนลงมามีสติรู้กายไปประจอมมีความเ บ, บ ah ี่ยนเครื่องบวชกิเลสมีสัมปชัญญะถอนความพอใจและความไม่พอใจในลูกออกเสียได้พระเจ้าก็สอนอย่างนี้ถอนออกมามาลู่ที่นี้กาก็ทําอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทําอย่างนี้แหละจึงมีพระสูตร ลู้แขวนเข้าลู้จึกเหยียเแขนออกลูกซึกเราจะคิดถึงพิมพาเเ้ยมีเมีย ม, มีลูกก็คิดถึงลูกกับลูกซึกแต่ตอนี่ไม่ใช่มานั่งคิดถึงลูกถึ ง, งมเมียมาลู้จึกบางทีคิดถึงประสาทสาร ด, ดูเปรียบเทียบกับต้นสีมหาโพธิ์เอาเขียนเอาผลมันก็ดีกว่าต้นสีมหาโพธิ์ เอาเห็ดเอาผลมันก็ไปแล้วกลับระมิลพลันละกลับมาลูจักตัวมาใช่ไหมยนี่งนั่งเอาเห็ดเอาผลมาลูจักตัวนี่วางลูจักตัวเหมืาเห็ดเนื้อผลกลับมาลูจักตัวกลับมาลูจักตัวบางทีก็กลัวตายไม่แดดมีลมหฝนตกนทำท่าจะเนไข้ก็กลับมาลูจักตัวใช่ อะไรที่มันเกิดขึ้นขณะนั้นในวันนั้นในคืนนั้นาารกรับมารู้จักตัวกลับมารู้อักตัวเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ดังนี้ตั้งอยู่ดังนี้คนที่ถือคนอื่นก็เหี่ยวแห้งลงหรือหมดอย ไ, ได้มีสติเข้าไปคลองซะเกิดเป็นธรรมขึ้นมามีสติมันแล้วความชั่วไปแล้วแล้วความชั่วแล้วความชั่วทำความดีทำความดี จิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์อยู่ตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงสิชั่วโมงตั้งแต่ยอมเข้าถึงว่าแสงแสเงินแสงทองขึ้นมันก็รู้เรื่องนี้รู้จึกได้รู้จึดได้รู้จึกคนมีความเชียอมีศรัทธามีอ่าสตินี่ว่าก็สําเร็จได้ เราก็ลองใช้ชีวิตให้มันจริงจริงลองดูอย่ามัวแต่เอาเหยื่อเอผลเอาผิดเอาทุกเสียเวลาเอาการกระทนำนี่ตัดฉีดออกไปกรรมฐ า, านนี่กรรมฐ า, านเป็นที่ตั้งของการกระทําเนี่ยศักดิ์สิสทธิ์สิ่งที่มาเกิดกับกายเกับใจเปลี่ยนได้ทุกอย่างให้เป็นความรู้เนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้ มันสะดวกไม่ใช่มีเครื่องมือลอยขึ้นไหนและไม่ต้องถามใครไม่ต้องมีใครบอกหลงเองก็ต้องรู้เองสมบัติดูตรงนี้แลหวางความหลงกับความรู้เนี่ยอะไรมันเป็นธรรมก่อการและวางความทุกข์กับความรู้และวางความขัดกับความรู้วงกิเลสตัณหาเกิดขึ้นกับความรู้อะไรเป็นธรรมก่อการ แม้มันจะรีบดีแน่นอนว่าก็มาทางนี้ก่อนแบกมาก่อนแบกมาก่อนเดี๋ยวมันจะสว่างไปข้างหน้าเหมือนประตูเสงไฟดีชีแดงๆน้อยๆก็ไปทางนั้นแล้วไปทางนั้นแล้วมันยังไม่สว่างมากเสงทีบประทีบแสงเดียนก็สว่างน้อยๆไว้เลยไปเรื่อยไปออกไปเอาเพื่สว่าง มากเหมือนดวงอาทิตย์ลูกแจ้งลูกได้ว่าแต่มีความเพียรชั่งหน่อยทำอะไรที่เอาความยากความง่ายมาทอลองถามโน่นถามนี่เพื่อจะให้ได้ทำในสิ่งที่กระทำถามอาครับตอบจากคำถามจะจะทำไม่ต้องมีคำถามตอบเองได้ ตอบเองได้ <c oughs> <c oughs> ทุกคนเกี่ยวความหลงกับความรู้อะไรถูกต้องความทุกกับความรู้อะไรมันถูกต้องเวลาหลงต้องถามคนอื่นไหมฉันหลงไหมเวลารู้ต้องถามค น, หนไหมฉันรูห้หรือเปล่าเนี่บางทีต้องรู้อยู่ก็ยังคิดว่าจะมารู้ไหมนี่รู้ไหมนี่ ไปซ่อนคิดซ้อนคิดกับออีกแล้วก็มันก็ทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเรื่องเบิ่นเบาให้เป็นเรื่องหนักยังแต่รู้มันก็สมเด็จแล้วจุดทุกหลังจบตรงนั้นแล้วจบตรงนั้นแล้วจบลงทื่ความรู้แล้วหลงตัวแล้วเป็นศูนแล้วลบแล้วเหลือศูนแล้วตั้งที่ศูนแล้วตั้งที่ศูนแล้วเมื่อถึงใดก็ตามต่อช่าง มิตเตอร์อะไรที่มันตั้งที่ศูนย์ก็ใช่ได้ถ้่มันมีอะไรเศษข้างอยู่ทำไมทำไมทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้แล้วก็เลือเธอไม่จบไม่เสร็จไม่ผ่านเราลงที่ความรู้จักตัวมันจบแล้วละ่ะถ้าเป็นแผ่นดินก็แผ่นดินสุดแล้วไปไม่ได้อแล้วรู้จักตัวมันหลงก็รู้จักตัว เหมือนสุก็รู้สึกตัวเหมือนทุกก็รู้สึกตัวอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจนี่รู้สึกตัวนี่ถูกต้องที่สุดไม่ใช่อย่างอื่นอย่าไปอย่างอื่นมาสมมติบัญญัติเกิดขึ้นเอาเหตุเอาผลมันไม่ใช่อนนี้ดีวิธีนี้ไม่ดีอาจารย์นั่นดีอาจารย์นี่ดีอันนั้นมีสมมติบัญญัติ เอาเหตุแล้วผลออกเอาวัตถุเด่นมาต่อรองสำนักนั่นดีสำนักนี่ไม่ดีสำนักไหนก็ตามมีกายมีใจความผิดความถูกเกิดที่กายที่ใจนี่เปลี่ยนความผิดเป็นความถูกก็เปลี่ยนที่กายที่ใจนี่ปัญหาเกิดที่กายที่ใจก็ปัญญาเกิดที่กายที่ใจนี่เรียกว่าปฏิบัตธิธรรม บางทีมาคิดเอาความคิดมาทำเหตุผลเหมาทำเพื่อเฉลี่ยวิละพราะความคิดเหตุผลว่าเที่ยวกระทำแบบหนึ่งมามาทำอีกแบบหนึ่งแบบนี้เราไม่ชอบแบบนี้เราชอบทำมานี่ยี่สิบปีแล้วสงบดีมันุบดีแบบนี้มันทุกข์มันเคลื่อนไหวมันลำบากง่วงนอนคิดมากอันแหละ เอาความสงบเป็นความถูกต้องเวลาออกจากความสงบก็เหมือนเดิมบุงสร้างกิเลสตันหาเต็มตัวไปหมดหาความดีจากวัตัวจริงของเกณฑ์มงคลบ้างจากักดี์ท์บ้างธรรมะเนี่ยเป็นพระตัวจริงคือรู้สึกตัวเนี่ยพุทเจ้าทำอย่างนี้พุทธะคือภาวะที่รู้ มันต้องเอาอะไรมาต่อรองต้งผลัดไปเลยบริจู์ไปเลยแล้วมันหลงรู้จักตัวนั่นแหละรักความชัว่วทำความดีแล้วชินก็เกิดขึ้นที่นี่แล้วรักษาชินแล้วหลงทางกายทางใจก่อนรู้จักตัวจะรักษาชินแล้ว สินเจือขาสินทลุงสินย่อยสินเอาเนื้อมันจกเป็นสินที่จะไปถู่มรรคถูกผลว่าใจสินสมาทานเอาสินสมาทานเต่งขึ้นเอารูปแบบต้องมเข้าเข้าถึงธรรมะม สิกขาคือถึงไปเลยได้ถึงความรู้ไปเลยความรู้นี่รู้มากรู้มากโตมากมันก็กำจัดกิเลสสินกําจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากําจัดกิเลสอย่างละเอียดรู้มันก็เห็นความหลงความหลงเป็นกิเลสอย่างจับเจ้าความโกรธความโลภเป็นความกิเลสอย่างจับเจ้า ฉิ่นกำจัดได้กลับมาปกติปกติปกติฉิ่นแบบว่าปกติไม่ปลิวมันจบไม่ปลิ่ยวเปนความจบมันทุกไม่ปลิ่ยวเปนความทุกคนมีฉิ่นที่ไม่เปลิวพอ เ, เห็นโกูกพอใจไม่พอใจปลี่วไปแล้วผู้ที่ยินเสียงพอใจไม่พอใจมันปลี่วไปแล้วเป็นนุ่นแล้วเป็นเข้ารีบใช่ไหมดาต้อง ปกติหนึ่งคือสินโอ้เราอยู่นี่มาหนึ่งวันสวันแท้ๆมันเป็นสินแล้วเนี่ยสินรักษาเราเล้ววะเนี่ยแต่ก่อนรักษาสินสินมีอยู่ในตัวยังไม่รู้เลยมีเล้วจึงรู้เห็นเล้ยวจึงเป็นเป็นเล้วจึงเห็นสมัยที่ช่วยอยู่โอเกสองโยน ได้แล้ ก, ก็จอที่ที่วิจิจชาเชียปตาปลมาเอาความจริงมา ก, กันไปเลยวะเนี่ยไม่มีพิธีมาเกี่ยวข้องปัญญากำจัดละเอียดหมดมันก็เป็นพลังของ ศิลของสมาธิของวันหยางองามขึ้นเพราะมีที่ตั้งมีความเพียนมีสติมันไใช่ไอ้อนวอ น, วนขอเอาดีเอางามจากคนอื่นได้บุญจากคนอื่นทำอะไรคือจะได้บุญคือจะดีอาจาย์นี่คงจะดีสงบเรียบร้อยรูปปัรมมานิการูกพุ ด, ดีงดงาม คูสปปมัิกาเฉียงดีไพโลออันนั้นมาเป็นเครื่องวัดไม่ได้อาจจะเป็นแรงลูกลุยลูกแรงลูกลุยเฉ็บกรายฉุยเขียดกุ้งแต่จิตนั้นมุ่งสู่การกุศลอาจจะดีอทำโน่นะ ที่บอ ก, บอกถกิ่นบอกพิกผูกเนอะนันหลุงให้รู้ เ, เนี่เชื่อไปเอาทำนั่นเป็นครูอาจารย์เอาความการกระทําศักดิ์สิทธิ์อนุณเนี่ยต้องเป็นไปตามกรรมทุกคนกรรมเป็นของของตนทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชัว่วกรรมเป็นจริงจาแนกสัตว์กรรเป็นที่พึ่งพาอาศัยต้องรับผลของกรรมนี้นาน คนทำชั่วกรรมชั่วก็ตามเหมือนลกอเขียนวนตามร้อยโคคนทำดีก็กรรมทรดันสนับสนุนให้เป็นพระเป็นสงฆ์ขึ้นมาพระเดียบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งกำลังของคุณทำเป็นพระสดาบันกำลังน้อยกำลังความดีน้อยหลุดพ้นไปได้ น, น้นพระ สจิเธามีกำลังมากพ้นไปเองเช่นความทุกน้ำหนักร้อยกิโลเพราะโสดาวันอาจย์ละทิ้งได้ไปยี่สิบห้ากิโลเหลืออยู่เกติบห้ากิโลเพราะสจิคาคามีมีกำลังมากทิ้งความทุกข์ลงห้าสิบกมเหลืออยู่ห้าสิบกมเพราะอนาคามี ทิ้งความทู้ไปเจ็ดสิห้ากิโลเหลืออยู่ยี่บห้าเพราะราหันหมุดเที่ยงเบกเอากันี่เป็นเจนกันเช่นหลวมหลวงความรู้อะไรวันสะดกบังนั่ต้องอะไรเป็นวัดเป็นที่วัดบอกพิ่บอกตัวมาตรงรู้โดยโดยัว ย, ยเอง เคยโกรธไม่โกรธเคยทุกข์ไม่ทุกข์เคยหลงไม่หลงเคยปุ้งแต่งเคยอะไรเกิดขึ้นมันก็หมดไปมีแต่จิเมื่อสติตง่วงงามที่ขาที่ใจมันก็เกิดคุณงามความดีมากมายเป็นศิลเป็นสมาี่เป็นปัญญาเป็นกุศลแล้วก็คนลูกป่ายมีนิจิมีใจเป็นลูกเป็นตามนี้่มันไปไหนมันทําอะไรได้ทําดีทํา บอกผู้บอกคนสอนคนทำความดีเกิดขึ้นจากคนคนหนึ่งที่เป็นคนดีเอื้พระพุทธเจ้าของเราศาวซดาของเราอุธสาห์เกิดขึ้นจากคนคนเดียวพระองค์เดียวลําพังพระองค์เดียวพระลูกเดียวอุบัติขึ้นมาความดีเกิดขึ้นเราถึงเราทุกวันนี้นี่พระาจีวรผมไม่บาดมิท้าบาดเป็น มูลทิธิอันยิ่งใหญ่ก็ว่าได้มีกรติที่อยู่อาศยสุดทินหนังวัตเมทันตังเรื่องหานการจินสุดทิ้นหนั ง, งน้อมใจคงคนอื่นไปอยู่น้อมใจไปอยู่ในน้อมใจเชื่อมั่นมีศรัทธาเกิดขึ้นมาเป็นวัดว่าลามเป็นศาสนาเป็นงารสอนเป็นศาสตรพิธีทาให้เรางดงามว่าทรงนั่งอยู่ที่นี่ ไม่ชี่นั่งทีนน่นู้นอบารสกนั่งที่นี้นูน่นบาริการนั่งตรนนูน่นนี่คืออะไรสมมุติวันหยิขึ้นมาวัดปออาลาวัดตรงไหนวัดกายวัดใจเป็นระเบียบแบบแผนอยู่เสมอเกิดความามขึ้นมามีระเบียบไปไหนมีบุญคุณโลกตนตักับคนหมอนมาปฏิบัติต่อกันอยากถูกต้องไม่ เบียดเบียนกันเ อ, อยู่เย็นเป็นสุขดีขนาดทีเราจะไปทำอะไรชีวิตของเราถึงชาติหนึ่งไปทำอะไรบ้างมีใจก็เพิ่งใจได้ไหมหรือว่าคุ้มร้ายคุ้มดีไห้มั่นใจไม่มั่นใจอะไรแบบ ม, มันใ จ, ดนจได้ประโยชน์ที่เกิดมาเนี่ยยากแล้วเกินนาะ มีคุณพ่อคุณแม่ในโลกนี้มีครูอาจารย์ในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าพระธมพระสง์ในโลกนี้มีดินฝ้าอากาศท้องฝ้าก้อนเมฆดวงอาทิตย์เป็นดินที่เราได้อาศัยนี่มีอาหารการกินมีเครื่องนุ่งหม่มมีคนคนดีที่ทาต่อเรา เป็นนี่โลกมากมายใช้ห น, นี้กันเปคนคนดีเป็นคนดีนี่ตอบแทนโลกเนี่ยให้ให้เป็นลกูกชิดอยู่เสมออย่ายิ่งใหญ่อย่าย่โสอู๋ห่าง ส, สำคัญบ่ดีกว่าเขาสําคัญประเสริฐว่เาขเขาเขาเลี้ยงคนเราเราประเสริฐของเขาอย่ามีให้คนน้อมถ่อมตนในโลก หน้าความชั่วทังคมดีเห็นขลบุขลบความชั่วเมื่อขลุบควางชั่วเกิดความดีขึ้นมาเหมือนเดเห็นขี้บาขี้ไก่จะไปเหยียบมันขลรบมันดีไกๆ่ๆมีมันแสดงเห็นก็มีอยู่ในคนก็มีหลีข้างขี้บาหลีคนบ้าร้อยเช่นในเราก็มีคนพรานบัณฑิตในคนอื่นก็มีนอกตัวเราก็มี ผลผานก็มีวันดิดก็มีมิดแท้มิดเถียมก็มีเอาว่าจะมีที่ตั้งมีเกณฑ์ชี้วัดตัดชิ้นใจอย่างถูกต้องชอบธรรมทั้งหมดเอาหลอดชีวิตเหล่านี้ได้หลักได้เกณฑ์แล้วได้ความรู้จักตัวที่เกิดกับกว่ากับใจเราเห็นเราเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันตัดชิ้นใจโดยความถูกต้องชอบธรรมตลอดเวลาสร้างสังขะเกิดขึ้นในหมู่ เป็นสังขารกันขึ้นในครอบครัวสมัคคีกันดูแลกันไม่เบียดเบียนกันไม่เอาเรียบกันมีเงนินหนึ่งบาทก็เห็นด้วยกันหนึ่งบาทไม่ต้องไปช่วยเหล่าช่วยบุรีกินได้กินด้วยกันได้อยู่ด้วยกันสมัยชี้นในครอบครัวด้วยสังขาขึ้นมาเหมือนหมูสง่สุดที่นังเป็นของทุกคนมีคขงังอยู่ที่มีคของ เขอครั้งของป้าคือครั้งที่รับของใช้ในสองสมใครไม่มีก็ไปเบิกได้มีผู้ให้เบิกมีกุญแจบอกเวลามีจีวรมีเครื่องใช้ต่างๆเจ้าอธิการคลั้งอาจจนไม่จีเวลาไม่จีเ อ, อย้ยไม่บอกได้เจ้าอะไรก็ห่มอะลรเครื่องผมสักผ้าและเครื่องใช้ไม่สวย เจ้าทการอาหารก็มีเจ้าติกาการเสนาสะนะผู้จุการใหญ่ครอบครัมดูเลยนะ้ำเรื่องไฟมีรนะับเพื่อให้เป็นระเบียบเรีเยบร้อยเพื่อความสะดวกผู้ินกิตอาสาในเรื่องนี้ให้เดือดร่อนก็นดูแลก่อนอย่าไปได้พ่วยดูแลก่อนไม่ทอดมาทิ้งก่อน ให้ฝ่าฝีป่าไข่เหมือนพี่เหมือนน้องกระทะละกันทำไมเบียดเบียนก็นทำไมช่วยโลกเนี่ยน่าช่วยที่สุดคือโลกเนี่ยดินป้าอากาศเพี้ยนไปหมดแล้วบอมง่ายลองให้แล้ดูนี่ระวงังควาดูแล้วหัดที่มันเกิดขึ้นในโลกวัดอย่าละบหูหลับตาอยู่มีกลิ่นไรบ้าง มีขวนขึ้นบ้างมีเสียงบ้างให้ดูแลรับผิดชอบระวังไฟฟืนไฟฟ้าอย่าสุลุยสุดล้อยประหยติอดน้อมกดทนเร่าเห็นใจความขี้เกียจที่ขาดเดี๋ยดฉลามากทั่วบาปบ้าง อ๋อเนอะแต่เนี่ยนะต้องควรเช้เวลากับพพร้อมกัน